บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปไ้ลกล่าวถึงเรื่องของสังโยชน์สองข้อซึ่งตามปกติแล้วจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลในแต่ละวันมากเป็นพิเศษนั้นข้อคือข้อที่เรียกว่าการมราคัเป็นเกิด เป็นระดับของความคิดที่มีความพอใจติดใจในสิ่งที่ตัวชอบโดยรูปสัจจริงๆแปล ว, ว่าความกาหนัดโดยอำนาจของความใคร่หมายความว่าถ้าเราไม่กำหนดว่าสิ่งนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน้าพอใจความกำหนัดความพอใจความยินดีก็ไม่เกิดแก่สิ่งนั้นการที่ใจเราไปกาหนด อารมณ์ที่มากระทบทางประสาทสัมผัสด้วยความกําหนัดในขณะใดในขณะนั้นสังโยชน์ประเภทที่เรกวาการมาราคาก็เกิดขึ้นถ้าอยู่ระดับนิวรณ์ท่านเรียกว่ากามฉันทะซึ่งเราได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆเป็นการพูดถึงระดับความคิดไม่ได้พูดระดับที่ออกมาทางกายทางวาจา แต่จริงแล้วอาการที่ออกมาทางกายกับทางวาจาเป็นเรื่องของความรู้สึกชนิดนั้นนั่นเองแต่ว่ามีความเข้มข้นมากขึ้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นแทนที่จะบังคับอยู่ที่จิตอย่างเดียวก็แพร่ขยายออกมาบังคับที่กายที่วาจาให้ทำให้พูดไปด้วยอำนาจของความกาหนัดในอารมณ์นั้น ซึ่งต่าหากว่าแรงยนคุมไม่ได้มัาก็กลายเป็นพวกอัากรรมในลักษณะต่างๆซึ่งเราจะเห็นว่าที่จริงแล้วมันเป็นกระแสของกิเลสที่เกิดขึ้นมาจากความดําริษอย่างที่พระเจ้าทรงใช้คบว่าสังกับปราโคบริสัทสกาโมความดํารินั้นเป็นกามของคน หมายความว่าถ้าเราไม่ดำริถึงด้วยความใคร่กามก็กําเริบขึ้นภายในใจไม่ได้ตอนพระเจ้าจัสรูจึงรับสั่งว่าดูก่อนกามบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำรินี่เองต่อไปเราจะไม่ดำริถึงเจ้าอีกแล้วแต่การที่รับสั่งได้เช่นนั้น เป็นการรับสั่งหลังจากพระไทยของพระองค์หลุดพ้นจากอำนาจของอาส ว, ก, วากิเลสหมายความว่ากิเลสประเภทต่างๆไม่มีอยู่ภายในพระไทยสภาพจิตเช่นนี้อย่างที่เคยยกตัวอย่างไว้ว่าเหมือนกับแมลงวันหยอดไข่ปัญหามันอยู่ที่หยอดในที่ใดหยอดในปลาในเนื้อที่มีเชื้อเชื้อเน่าอยู่แล้วมันก็เป็นไข่ขังเป็นนอนออกมาได้ เตประโยชน์ในหินในไม้ซึ่งไม่มีเชือ้อไข่ค้างเหล่านั้นจะยอดไปทั้ไหร่ก็ตายมันก็ตายไปไม่สามารถที่จะแพร่ขยายเป็นไข่ค้างเป็นตัวหนอนขึ้นมาได้จิตใจของท่านที่ละกิเลสในลักษณะที่ถอดถอนออกไปได้เช่นนี้ก็คงกระทบอารมณ์ข้างนอกชิ้นเดียวกับชาวบ้านมีทั้งลาบยศสันสญสุข ไม่ต้องเสื่อมลาบเสื่อมยศทินทาทุเพียงแต่ว่าใจที่จะไปกำหนดด้วยความกำหนัดในอารมณ์เหล่านั้นมันไม่มีเพราะสภาพของใจหรือของจิตเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยลำพังท่านเรียกว่ามีสิ่งที่เกิดร่วมกันํำนวนอภิธรรมท่าเรียกว่าเจตสิกคือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิต เกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตจิตของปุ้ทุก์ชนนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องอารมณ์ที่มากระทบซึ่งผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมจะสังเกตได้ว่าอารมณ์บางอย่างที่เราเก็บสะสมความรักความชังไว้มากๆบางทีไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินเสียงเขาหรอกแม้แต่นึกก็โกรธละ แม้แต่นึกถึงก็รักแล้วนั้นแสดงว่าอารมณ์หล่นนั้นมีที่พุนเหนือใจใจที่ปกติปกติอยู่เนี่ยผกระทบอารมณ์นั้นจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ทันทีจากจุดนี้เองที่มีการถกเถียงมีการพูดกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาว่าวัตถุเป็นตัวกำหนดจิตซึ่งในแง่ของความเป็นจริงแล้วจะต้องเกิดขึ้นจากจิตไปกาหนดวัตถุก่อน ถ้าจิตไม่กําหนดวัตถุเหล่านั้นว่าน่าใคร่หน้าปรารถนาน้าพอใจเชื่อขอความใคร่ความปรารถนาความพอใจในวัตถุนั้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้และเราเจอวัตถุนั้นสักกี่ครั้งก็ตามวัตถุนั้นจะไม่มีอิทธิพลครอบงําใจเราได้แต่การที่เขามีอิทธิพลดังกล่าวก็เพราะใจเราเคยกําหนดแล้วก็สะสมไว้ไปในใจมากกลายเป็นความคิดเป็นอารมณ์ซ้ ำ, ซ, ำ, ซ, ำซา ก, ซาก มีความกำหนัดทําทําักซา ก, ากมีความโกรธทาาาําทําักๆากก็สะสมอยู่ภายในใจทําให้รู้สึกว่าเขามีที่ผลเหนือใจดูไปคล้ายๆกับวัตถุเป็นตัวกำหนดจิตแต่จะต้องเริ่มเดินทีแล้วจิตจะต้องกำหนดวัตถุมาก่อนแนวปฏิฆะเองก็มีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าเขาก็อยู่อย่างที่เขาอยู่ จะถามว่าเกิดปฏิฆะคือการกระทบกระทักทางใจเกิดความโกรธความไม่พอใจความหงุดหงิดความรำคาญตลอดทั้งความปทุสรายนในอะไรก็ตอบว่าในวัตถุทั้งหลายนั่นเองในสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูนั่นเองได้ยินด้วยหูเป็นต้นนั่นเองแต่ใจเรากําหนดด้วยอาํานาจของความไม่ชอบความไม่ชอบเหล่านั้นก็เกิดขึ้น แต่ถ้าหากว่าได้ถอนรากง่าวของสิ่งเหล่านั้นออกไปได้แม้จะกระทบอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจใจก็ไม่ไปกำหนดเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุได้กำหนดไม่มีซึ่งก้อนนี้ถ้าเรามองถึงวุ ธ, ธิภาวะในด้านจิตใจของมนุษย์เราทุกๆคนจะมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้ทำให้เราเพบว่า สิ่งที่เราประสบในชีวิตประจําวันเป็นนันมากและที่จริงมากกว่าอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความรักความจังพิจารยรู้สึกเฉยเฉยไม่สนใจไม่ใส่ใจอะไรเราเห็นรูปเป็นนันมากได้ยินเสียงเป็นมากสุดดมกลิเป็นนันมากแต่สิ่งเหล่านั้นที่จริงบางทีเราก็ไม่สนใจใส่ใจความรักความจังมันก็ไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นก า, การจะเกิดเป็นรักเป็นชงังมันต้องเริ่มจากการใส่ใจองค์ประกอบทางจิตจริงๆที่ท่นนานอธิบายไว้ระดับปพิธรรมท่านบกว่าการเห็นรูปเป็นต้นนั้นจะต้องประกอบด้วยองค์สี่หมายความจาจักสุเราต้องไม่ผิดประสาท ต, ตาเราต้องไม่พิการแล้วก็มีรูปซึ่งอยู่ในวิสัยที่ตาจะเห็นได้ ไม่ไกลจนมองไม่เห็นหรือไม่ใกล้จนชิดไม่มีช่องว่างเลยก็ไม่เห็นเหมือนกันอย่างคนที่ถูกชกถูกต่อยเข้าดวงตาที่บอกเห็นดาวเพราะว่าตรงนั้นไม่มีช่องว่างไม่เห็นมือไม่เห็นหมัดอะไรแล้วจะต้องมีช่องว่างมีอกเรียกอัโปโอกาสคือมีแสงสว่างที่พอจะเห็นรูปนนั้นได้ให้พวกเสียงกลิ่นรถก็มีลักษณะอย่างเดียวกัน ที่สำคัญอย่างยิ่งคือต้องมีความสนใจสนใจในรูปสนใจในเสียงสนใจในกลิ่นสนใจในรสสนใจในเย็นร้อนนออแข็งสนใจในอารมณ์นั้นๆทีนี้จุดของการสนใจเนี่ยเก็อยู่ในพื้นฐานทางจิตของเราอีกว่าสนใจโดยมีปัญญาหรือเปล่าหรือว่าขาดปัญญาเป็นเครื่องพิณิพิจนา ทวิจารย์ทรงใช้คำว่าโยนิโสปนัสิการคือทําไว้ในใจคิดในใจโดยบายวิธีที่แยบขายหรือไม่แต่คิดโดยบายวิธีที่แยบขายแม้เรื่องที่ดีเราก็หาประโยชน์จากเรื่องที่ดีได้แม้เรื่องไม่ดีเราก็หาประโยชน์ได้ พอมาถึงจุดนี้ท่านสาชนก็จะมองกลับไปถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนกล่าวโดยสรุปก็คือเป็นกลุ่มของอริยศาศาศาศาสัจทั้งสี่ไปกันผู้เหล่านี้สร้างปัญหาแก่โลกมาตลอดเพราะเป็นการมองโดยอุบายวิธีที่ไม่แยบขายเป็นการปฏิเสธสัจจะคือความจริงในระดับนั้นนั้น แต่พอมาถึงพระพุทธเจ้าท่านสอนให้หาประโยชน์ได้ทั้งหมดโดยเอาตัวโยนในสมานสิการซึ่งเป็นเงื่อนไขตัวที่สามตัวที่สี่ที่เราใช้ยามกระทบวารมณ์หมายความให้อยู่อย่างมีปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองใจปัญญานั้นเขาเป็นแสงสว่างกิเลสนั้นเป็นความมืดมันมีความตรงกันข้ามกันอยู่แล้ว เมื่อแสงสว่างก็มีอยู่ความมืดก็แทรกซึมเข้ามาไม่ได้แต่น่าลองสังเกตว่าในเรื่องอะไรก็ตามถ้าปัญญาเข้ากำกับอยู่นี่กิเลสเกิดได้ยากแต่ที่กิเลสมันเกิดได้ง่ายเพราะว่าปัญญามีกำลังน้อยปัญญาไม่มากพอต่อการวินิจฉัยตัดสินทำให้คนเป็นอันมากที่เวลาเกิดเรื่องราวไม่ดีขึ้น มีการกระทำไม่ดีของใครยังไงก็ตามคนบางคนจะทำใจมัธยัตเป็นกลางวางใจเป็นอุเบกขาิจรณานในแง่ของกรรมสตัตว์ลางก็เป็นไปตามกรรมของเขาไม่กระโจนลงไปทำความชั่วซึ่งมีเป็นจำนวนมากที่เราเห็นได้ว่ากระโจนลงไปทำความชั่วแบบเดียวกับเขา ย, งยางเหตุการที่ปรากฏอยู่สม่ำเสมอเวลามีเจ้าหน้าที่นำผู้ต้องขังุ ผ, ผู้ต้องหาไปทำแผนระฐศึกรมเราจะพบทุกส่วนของประเทศจะมีประชาชนมามุงดูกันเป็นจำนวนมากแต่คนเหล่านั้นเป็นฆาตรกรโหดมักจะรถูกรุมประชาธาิเปเพื่อฆ่าเขาให้ตายตรงนี้ตะปัญญาเขาเกิดขึ้นมาคิด โดยอย่างน้อยระดับของโยนิโสมณนติการคือคิดโดยเหตุโดยผลโดยวิธีที่แยกขายก็จะถามว่าคนนั้นเป็นใครบอกว่าเป็นผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหาว่ายังไงต้องหาว่าฆ่าคนตายแลวเราก็เกิดโกรธในผู้ต้องหาฆ่าคนตายถามว่าโกรธเขาทาไม เขาทำชั่วด้วยกายก็แล้วสมมติว่าจริงเนี่ยเขาก็ทําชั่วด้วยกายด้วยใจก็แล้แต่ตอนนั้นแท้จริงเราก็เป็น ก, กลางคือใจเราจะไม่มีกิเลสอะไรที่รุ่มรุ ม, ม, มรุนแรงเพราะเราเกิดโกรธขึ้นเราก็เพิ่มบาปภายในใจขึ้นมาเป็นมโนทุจริตเป็นความโกรธเป็นความาคาดพยาบาดเป็นความเครียดแค้น เ, เสร็จแล้วก็คือเข้าไปเพื่อจะทำลายร่างาทำลายร่างกายคนนั้นเอาให้ตาย สแสดงว่าเรากำลังจะทำอย่างที่เขาทำเขาเป็นฆาตรกรถูกหาว่าฆ่าคนตายและเราก็กาลังจะฆ่าเขาเพื่อได้เป็นฆาตรกรร่วมกับเขาด้วยนั่นคือการกระทำที่ขาดปัญญาเข้าควบคุมทาไปตามอำนาจของกิเลสทาไปตามอำนาจของอารมณ์ที่มาที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คิดว่าเมื่อเขาชั่วไปก็ชั่วเขาคนเดียว ทำไมเราจะต้องช่วยด้วยเมื่อเขตกเหวตกบอ่อไปแล้วมาอยู่ในวิสัยที่เราช่วยอะไรได้ทําไมจะกระโดดลงไปในบอ่อเขาด้วยหรือถ้าคิดแยบคายขึ้นไปกว่านั้นอาจจะคิดว่าจะฆ่าเขาทําไมฆ่าให้ตายก็อาจจะตั้งคําถามถามต่อบไปว่าถ้าเราไม่ฆ่าเนี่ยเขาจะตายหรือเปล่าคำตอบคือตายเหมือนกันที่จะสังเกตได้ว่า ความตายนั้นเป็นสภาวะธรรมที่ทุกชีวิตไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ไม่จะเป็นจะต้องฆ่าก็ก็ตายความความเกิดความแก่ความตายนั้นเป็นสภาวะแต่การกระทาชั่วนั้นไม่ใช่เป็นสภาวะของมนุษย์เราสามารถหีกเลี่ยงความชั่วได้เราสามารถทำความดีได้ แลแนวพิหนณกัจแปกขณะข้อที่ห้าที่พระเจ้าทรงสอนในพิจารณาเรื่องกรรมคือมองถึงกรรมว่าเราสามารถจะควบคุมกรรมได้แต่เมื่อทำไปแล้วเนี่ยจะต้องไปไปตามกรรมเพราะนใครทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็เป็นเรื่องของเขาเขารับผลของเขาเองถ้าเราจะต้องการผลเราก็ทำกับเราเอง แต่เมื่อเราต้องการความสวัสดีมันก็ต้องทำเหตุที่ให้เกิดความสวัสดีความสวัสดีก็จะบังเกิดขึ้นดะนั้นถ้าหากว่าเกิดความคิดโดยบายวิธีที่แยบคายปรากฏว่าได้ประโยชน์ผลหลักในการคิดพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการคิดเรื่องอะไรก็ตามเมื่อคิดแล้วกิเลสที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นกิเลสที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น ก็ถือว่าเป็นความคิดผิดทั้งนั้นแต่ความคิดอะไรก็ตามเมื่อคิดไปแล้วนี่กิเลสที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดที่เกิดแล้วจะลดลงก็เป็นความคิดถูกกันนั้นเพราะเราก็จริงแล้วจึงมาตรวจสอบดูที่จิตเราไม่ใช่ไปตรวจสอบดูที่กฏอื่นดูการคิดอย่างนี้การพูดอย่างนี้การทําอย่างนี้กิเลสมันเพิ่มหรือกิเลสมันลดถ้ากิเลสลดก็แสดงว่าถูกต้อง ถากิเลสมันเพิ่มก็แสดงไม่ถูกต้องซึ่งก็เหมือนการรับประทานยารับประทานยาไปแล้วปรากฏอาการของโรครุนแรงมากยิ่งขึง้นก็แสดงว่ายานั้นใช้ไม่ได้แต่มารับประทานไปแล้วปรากฏอาการของโรคลดลงก็แสดงว่าใช้ได้เป็นมีเครื่องสวดสอบอยู่ทุกกรณีในในเรื่องนั้นๆ ดังนั้นคำสอนในพุทธศาสนาให้ลองสังเกตพวกอารมณ์กรรมฐ า, าน40พสิปสมถตกรรมฐ า, าน4ี่สบเรื่องดีๆเช่นประมหารสี่เช่นอนุสติการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าประทับประสงค์เป็นต้นก็สามารถที่จะคิดได้เกิดความดีได้เพราะนั้นเป็นความดีจริงๆค่อนข้างง่ายแต่ถ้าถามเร้่งคนทั่วไปที่จริงไม่ค่อยง่าย ท่านสาธารณชนสังเกตความคิดอีกอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกเวลาพูดถึงความชั่วของคนอื่นเรามักไม่ได้ใช้หลักกาลามาสุดไม่มีใครกล่าวอ้างถึงเรื่องกาลามาสุดปักใจเชื่อเป็นเลยร้อยเปอร์เซ็นไปเลยพอพูดถึงความดีพูดถึงเรื่องสังสารวัฏพูดถึงกฎแห่งกรรมพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์ไปอ้างกาลามาสุร อย่าเชื่อแม้ประไตรปดกบ้างอย่าเชื่อว่าคนนั้นเป็นครูอาจารย์เราบ้างนั่นแสดงให้เห็นว่ากิเลสมีทิผลเหนื่อยใจใจกระด้างกับเรื่องของธรรมะแต่ใจไหลไปกับเรื่องของกิเลสพอกิเลสแล้วกระโดดเข้าเป็นพวกทันทีไลยพอธรรมะ ก, กระด้างเกิดต่อต้านเป็นทางแห่งความเสื่อมอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่าผู้ชังธรรมเป็นคนเสื่อม ให้ความเสื่อมเกิดแก่ครวามเสื่อมมันเกิดแก่ ใ, ใจเราก่อนเพราะปริมาณของกิเลสที่เกิดขึ้นอาการทางกายทางวิช า, า, าควรจะสงบมันก็สงบไม่ได้ดังนั้นหลักความคิดในแนวนี้ถ้าว่ามีปัญญาข้อกับๆเราจึงหาประโยชน์ได้จากสิ่งไม่ดีเช่นซากศพพวกอสุภกรรมาฐานอสุภกรรมาฐานยิงสพทั้งนั้น แล้วก็น่ากลัวน่าขย ะ, ะแขยงทั้งรูปทั้งสีทั้งกลิน่นแต่ว่าพระเจ้าสอนในแนวองกรรมฐานสอนในเพ่งพินิษ ด, ดูเพราะการเพ่งพินิษนั้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นหลักการสาคัญในทางศาสนาาทุกอย่างต้องมีการเพ่งพินิษแม้องค์กรรมฐานเนี่ยบางทีพระเจ้าก็าเรียกว่าการเพ่งพินิษ สมถ ก, กรรมฐานเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารามณูปนิชฌานคือการเพ่งดูอารมณ์การเพ่งดูต้องมีสติต้องมีสัมปชัญญะต้องมีตาถ้าไม่มีตานอกก็ต้องมีตานในคือปัญญาจากสุขแต่ถ้าดีต้องมีตานในคือปัญญาและมีตานอกคือตาธรรมดาเพ่งพินิษฐ์พิจารณาสิ่งเหล่านั้น ความรู้เห็นตามความเป็นจริงก็จะเกิดขึ้นข้อปฏิบัติในแนวของวิปัสสนากรรมฐานท่านเรียกว่ารักหนูปนิจจันหมายความเพ่งดูลักษณะของมันให้เห็นตามความเป็นจริงทั้งสองข้อจึงเป็นเรื่องของการใช้สติสมัมปชัญญะความเพีย้ยนเพ่งพินิจดูเพียงแต่ว่าสมถาเพ่งดูด้วยความสงบให้เริ่มที่ความสงบก่อน เบื่อเนตามความเป็นจริงซากศพซึ่งเป็นที่ขยะขยะงที่ดังเกลียดของคนทั้งหลายเกิดเพืนอเบื่อเกิดความสงบแล้วน้อมศพหาตนน้อมตนก็หาศพมองศพกับตนเป็นอันเดียวกันศพก็เป็นเพียงศพที่ตายแล้วเราก็คือศพที่ยังเป็นอยู่ซึ่งจะต้องเป็นศพตายในโอกาสต่อไปถามว่าเมื่อไร่ไม่รู้แต่ว่าตายแน่ การคิดใแนวนี้กิเลสจะลดสติจะตื่นจะทําให้ไม่หมองหมอกประมาทเพราติเป็นธรรมะที่ปลุกให้ตื่นที่พเจา้าทรงใช้คำว่าสติโลกสมิชาคารสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นคือปลุกให้ตื่นขึ้นในโลกนี้กออ็จะอยู่จะอยู่ยังรู้ยังตื่นอันเป็นคุณลักษณะของพุทธะในทางพระพุทธศาสนา แต่แม้แต่พุทธศา ส, สนิกชนก็ยังอยู่ในรูปลักษณะนั้นส่วนจะรู้มากรู้น้อยตื่นมากตื่นน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องบางอย่างเช่นอาหารพวกอาหารเดรปฏิกูลสัญญาอาหารทด่รรบประทานเข้าไปแท น, นแทนที่จะสอนเฉพาะบำรุงร่างกายพุทธเจ้าไม่เน้นตอนบำรุงร่างกายเท่าไหร่สงฆ์ช้กรรมยาบรรณมัดตังให้ชีวิตมันเป็นไปได้ก็พอแล้ว ไหนจะหิวโหยทุกทรมานไปบ้างก็พอทนกันได้เพราะเวลาพระพุทธเจ้ารับสั่งถามพิษุท่านได้แยกย้ายไปปฏิบัติสัพนธรรมในป่าในเขากลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าคำถามคําแรกที่รับสั่งถามถามว่าเป็นไงพอทนได้ไหมพิสุทั้งหลายจะกล่าวถุนว่าคำนี้อย่างพันเตพอทนได้พระเจักษ่แก่ดีล้ว จะเห็นว่าเรื่องอาหารทางร่างกายนั้นทรงสอนพิจารณาให้เห็นโดยดำดับคือรับประทานเป็นอาหารใจด้วยตามปกติแล้วเนี่ยเราก็รับประทานแบบอาหารใจอยู่แล้วแต่ว่ามันเพิ่มกิเลสอหารบางอย่างรสอร่อยแต่ว่าสีไม่น่าดื่มไม่น่ากินเราก็ไม่คิด บางทีสีก็น่ากินรูปก็สวยดีแต่ว่ากลิ่นไม่สะอาดไม่กินเพราะฉะนั้นต้องมีการแต่งรูปแต่งสีแต่งแ ต, แต่งกลิ่นก็เรียกว่าวัตถุกรรมวัตุกรร ม, มสี่ข้อเนี่ยรูปกลิ่นรสสัมผัสพวกอาหารเราจะใช้ถึงสี่อย่างทั้งรูปร่างทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งหน้าจับหน้าต้อง บางอย่างเรใช้เสียงด้วยเสียงกรอบเสียงเกลียบไปแสดงว่าวัตถุกรรมต้องขึ้นหมดทั้งห้าข้อทั้งรูปเสียงกินรสพถะคือหน้าจับหน้าต้องแต่วิจ้าก็รสอนแนวใหม่ไม่ให้เป็นเน้นที่เพิ่มวัตถุกรรมในจุดนั้นเพราะอะไรเพราะทับเพิ่มตรงนี้มันไปเพิ่มตรงอื่นด้วยพระทรงสอนในพิจารณ์เรื่องอาหาร เห็นสัจธรว่าธาตุตอนรับอาหารที่สอนพระเมื่อรับอาหารจากชาวบ้านที่เขาสตาถวายให้พิจารณามองสามแนว เ, เรียกนิสตโตนิชิวสุนโยนิสตโตคือไม่ใช่สัตมนิชิวคือไม่ใช่ชีวสุนโยคือว่างว่างจากความเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ให้มองเหมือนกับยารักษาโรคเหมือนกับ น, น้ํามันหยอดเครื่องยนต์บางทีก็สอนให้มองเหมือนกับเนื้อของลูกที่ตายในทะเลทรายโดยยังจเป็นจะต้องรับประทานเพื่อประทังชีวิตผ่านพ้นให้ผ่านพ้ น, พ น, พ น, พนทะเลทรายไปเพื่อไม่เกิดอาการสยบติดในในส่วนของความชั่วทั้งหลายความชั่วที่มีในคนชั่ว ความชั่วที่เป็นองค์ธรรมความชั่วที่เป็นผลสร้างความทุกข์ความทรมานนั้เกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายแล้วความชั่วที่เป็นผลในโลกหน้าหรือตกนรกกลายเป็นเปรตเป็นไรพระเจ้าก็สอนให้ใช้ปัญญาปีนิพิจารณาสิ่งเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้น คนฆ่าคนตายแล้วจะต้องถูกจับกลุ่มคุมขังลงโทษเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่โลกมีมนุษย์ขึ้นมาแล้วคนทำชั่วทำผิดก็ร้องประสบผลกลับไปเราไม่ยังไม่ทำความชั่วความผิดอย่างนั้นแต่ดูเขาที่ประสบความชั่วความทุกข์ความเดือดร้อนหรือแม้แต่ากาลังทาความชั่ว มองเขเป็นครูเราก็งดเว้นสํารวมระวังไม่กระทาอย่างที่เขาทําเพื่อเราไม่ต้องเป็นอย่างที่เขาเป็นแต่ว่าตัวเขาตัวคนที่ทําชั่วเหล่านั้นคนที่ตกน ร, รกคนที่อะไรก็ตามที่ที่ที่ก็ตามชั่วไปแล้วเราจะต้องมองเขาด้วยความเมตตาด้วยความสงสารแต่ก็อย่าทุก การมองที่ถูกต้องที่สุดคือต้องมองด้วยเบิกขาตาใจมัตยัจเป็นกลางไม่ให้เกิดดีใจหรือเสียใจที่เรียกว่ายินดียินรายเพราะเป็นปัญหานอกวิสัยไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะแก้ไขได้แต่เราหาประโยชน์ได้เพราหาประโยชน์คือใช้เขาเป็นบทเรียนเป็นครูที่จะงดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทำเช่นนั้นได้ นี่คือการมองในแนวที่เรียกว่าแม้คงเห็นรูปความเสียงอยู่เพียงแต่ว่าปัญญาไปเข้าไปกํากับไว้และเราจะได้รับประโยชน์จากเรื่อง น, อนั้นแม้ได้เรื่องความเจริญก้าวหน้าเรื่องคนดีเรื่องความดีเรื่องคนดีเรื่องผลของการกระทำความดีที่เป็นคนได้ราบได้ยศได้สันเสริญได้รับความสุขหรือวังเกิดในสวรรค์หรือว่าบรรลุมรคผลอะไรก็ตาม ท่านสอนให้มองด้วยความชื่นชมที่เรียกว่าอนุโมทนาสาธุการชื่นชมแล้วก็ดูเขาเป็นตัวอย่างเขาประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเราก็ศึกษาปฏิปทาของเขาการปฏิบัติของเข า, า, รรขเขาแล้วก็น้อมนามาประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าในขณะนั้นจิตขาดธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองมันจะออกเป็นอะไร ออกเป็นริษยาออกเป็นการแข่งดีความริษยากเพอผลาญใจให้เกิดความร่าร้อนคนก็คงจะเริญอยู่แต่ว่าเรานั a นทําจิตเราให้ต่ําลงในขณะที่คนอื่นคนที่เราริษยานะกเขาสูงขึ้นแต่เรากระทาจิตเราให้ต่ําลงเพราะอะไรเพราะขาดปัญญาคุ้มครองใจคนใจที่มีปัญญาเขาคุ้มครองจึงสามารถหาประโยชน์ได้จาก สภาวธรรมจากกิเลสในรูปแบบต่างๆซึ่งท่านสาชนทั้งหลายจะเห็นว่าพวกกิเลสหรือปัฏมะ ก, ก็ตามมันต้องมีตั้งในรูปความมีตั้งในรูปของอาการมีตั้งในรูปของคนมีตั้งในรูปของผลมีตั้งในรูปของความเสื่อมความเจริญความสุขความทุกข์สวรรค์นรกไปแกเป็นแถวไปลากไปเป็นกระบวนการเหมือนกัะน้าไหลมา มันมีจุดเริ่มต้นเข้ามามันก็ไหลกันไปเรื่อยๆดังนั้นปัญญาจึงเป็นหลักในการคุ้มครองอารมณ์กรรมฐานทั้งหมดที่พระเจ้าทรงสอนจึงแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มเนึ่ก็คือกลุ่มกลางๆเป็นพวกสภาวธรรมอย่างกลาวพวกสักศบ พ, พวกอาหารพวกธาตุสี่ เป็นกลุมที่เป็นกลางกแม้แต่ลมหายใจเข้าออกมันก็เป็นกลางกลาไม่ดีไม่ชั่วอะไรอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของกุศลธรรมเกี่ยวกาบรื่องถึงคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เรื่องถึงการบริจาคเสียสละของตนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกุศลธรรมส่วนผนคือนิพพานพวกความชั่วนั้นในตอนต้นๆเนี่ย จะไม่เอามาเป็นตัวอย่างแต่พอปฏิบัติประนีขึ้นมาก็ใช้เช่นในแนวของนิวรทักห้าหรือแนวของทุกขสมุทยัยที่ทรงแสดงไว้ในมาสติปัฏฐานสุดนั้นการเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหลายปร า, ากว่าจิตใจของเรามีสติมีสัมปัญญาคุ้มครองอยู่แล้วจะช่วยให้สามารถ ใช้ความรู้ความตื่นซึ่งเป็นอาการของสติกสัมมาจัญฑะจะไปหาประโยชน์จากอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบได้ต่อจนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป